พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13บสระสูตรที่14มหามาลุงกโยวาทาสูตรสูตรว่าด้วยประธานโอวาทแกพระมาลุงกะยะสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายทรงจำสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าประการซึ่งทรงแสดงไว้พระมาลุงกะยะบุตร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 คือการลูกความศสีและรสของเด็กนั้นย่อมแฝงตัวตามไปเด็กย่อมไม่มีแม้ความคิดว่าการความพอใจในกามจะเกิดได้อย่างไรแต่ว่าอนุสัยคือความพอใจในกามของเด็กนั้นย่อมแฝงตัวตามไปเด็กย่อมไม่มีแม้ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายความพยาบามในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดได้อย่างไร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 ก็อย่างเดียวกันเหตุเสนัยภิกษุบางรูปจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสมาธิหรือเจโตวิมุตต์บางรูปหลุดพ้นเพราะปัญญาหรือปัญญาวิมุตต์ตรัสตอบว่าเพราะอินทรีย์ต่างกันคําว่าอินทรีย์หมายถึงธรรมะอันเป็นใหญ่มีหคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญา